พระธรรมเทศนาแผนที่72ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักเตือนตนเองดูในความสงบอย่าไปส่งเสียง อยู่ข้างหลังศาลาอยู่ทั้งนอกศาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในครัวแม่ครัวอยู่ในความสงบเหลวมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้จวนจะปีใหม่แล้วลูกหลานแล้วก็วันนี้อากาศก็เย็นลงอีกฟังฟังดูแล้วบสองในสบสามน่ยเมื่อวานีนสิ18ปดสบองศา เซนเซนวันนี้ลงถึง12 12 13ฤดูวันหนาวพอสมควรแต่วันพุ่งนี้มันจะลงอีกหรือเปล่า <c oughs> มันคงจะลงมาหาปีใหม่มั้งตอนนับพี่น้องชาวต่างจังหวัดชาวกรุงเทพที่ขึ้นมาทางอีสานอยากจะสัมผัสอยากจะสัมผัสความหนาว มาก็เจอหนาวจริงๆกับปีใหม่ปีนี้นะวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้จวนจะเป็นวันสิ้นปีฮะปี2557ก็เป็นวันที่30วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่31 แล้วก็วันที่หนึ่งวันมะเรือนวันนั้นวันคืนวันคืนเดือนปีที่ผ่านม า, าพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเป็นบทเรียน เ, เรียนดีหรือเรียนเก่ง เ, เ, ร เ, เรียนเรียนแร็วหรือเรียนดีมันมีอยู่สองเรียนนะลูกหลานคณะสธาญาติโยมถ้าเรียนไม่ดี ถ้าเรียนเร็วก็แปลว่าเราประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้แปลว่าเราเรียนปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านถ้าเราเรียนดีประสบสำเร็จหรือว่าโฉมความมุมม่งมัตนปรารถนาอันนั้นแปลวา่าเราเรียน ดีหรือว่าพอทรงตัวอพอทรงตัวคล้ายๆว่าไม่ดีและก็ไม่เร็วเกินไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งเพราะนั้นทั้งสามบทเรียนเนี่ยไม่มีใคร ท, ที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราแต่ละท่านเพราะนั้นถ้าหาว่าเราเรียนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่ควรจะละ สิ่งไหนจะควรไม่ควรจะทำที่มันเสียหายจุดนั้นก็ไม่ไม่มีใครที่จะงองอนวอนอ้อนวอนตัวของเรามีแต่ตัวของเราเองนะที่จะปรับปรุงแก้ไขคนโบราณเขาบอกว่าปิ้งปลาหมองอแล้วรีบกลับนี้ขำขำ เจ็บแล้วจําใส่กระบาลที่ขานไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะหาใครมาวอนถ้าไม่สอนตนให้พวกเราฟังเอาไว้อันนี้คำโมรานเขาเป็นคำกรอนเป็นภาษิตขึ้นมาถ้าพวกเราไม่สอนตนและใครจะเป็นคนสอนใครจะเป็นคนยับยั้งในความผิดของพวกเรา อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านจะต้องมองตนเอง จ, จุดไหนที่มันเสียหายาปีเก่าที่ผ่านมาปี57 เ, เ่แล้วก็อันไหนที่มันดเีเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะความดีเนี่ยไม่มีที่เส้นสุดใครๆก็ต้องการดีนะ ด, ดีดีขนาดหนึ่งดีขนาดกลางกับดีเลิศ เราจะต้องทำให้ดีเลิศเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานขนศ้ศราชการญาติโยมทุกท่านให้มองตอนเองเมื่อปีที่แล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต, ตัวตนอย่างไร <Yeah. S 1> ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแต่เองถึงยังไงก็ตามปีใหม่อย่างปีนี้ทวีตปีที่ผ่านมา หลวงพ่อก็ย้ำเตือนก็น้าศรัทธาญาติโยมโลูกหลานผู้ที่มาเนี่ยก็คงจะไม่ซ้ํานากันผู้ที่มาข่าวก่อนปีที่ก่อนก็คงจะมีแล้วก็มาปีนี้ก็คงจะปีใหม่เป็นคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะจะย้ำเตือนเกี่ยวกับการเป็นอยู่เรื่อง ก, การวางตัวเราอยู่ในสถานะไหน ถ้าเราอยู่ในสาน ะ, ะปู่ย่าตายายเราควรจะทําตนอย่างไรให้เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกลู ก, ลกลๆหลานเพราะเราเป็นปู่ย่าตายายของเขาไม่ใช่ว่าลูกหลานามาจากถิ่นไกลแล้วก็ไปให้เขามาซื้อเหลร า, ามาให้ตัวเกณฑ์เองเดิมกินเข้าไปแล้วกัลยะะาณ์ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นที่เคารพของลูกของหลาน ถูกต้องไหมถูกต้องไหมให้ถามตนเองแล้วลูกหลานก็ต้องถามปู่ย่าตายายของเราทาอย่างนี้ถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราสำนึกอย่างที่หลวงพ่อย้าแล้วพูดอีกว่าอยากจะให้ลูกหลานดีต้องทำดีให้ลูกหลานดูพ่อก็เหมือนกันพาเห็นลูกเข้ามาหลายหลายคนคิดสนุกขึ้นมา อ, อยากจะกินเลี้ยงสังสรรค์ไปซื้ออาหาร เ, าเนื้อปลาอะไรก็ตามนะมาทำเป็นอาหารเสร็จแล้วก็เอาเหล้ามาแก้มกินพูดกันขโมงโรงเสงผลี่สุดในญาติพี่น้องทะเลาะกันอีกเราในฐานะที่เป็นเจ้าของครอบครัวที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำอย่างนี้มันถูกไหม อั น, นี้สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนอีกเหมือนกันอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดู น, ะนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านดูดูสถานะของตนเองในสํานักที่เราเป็นลูกก็เหมือนกันเท่าเป็นลูกของพ่อของแม่เรามาหาพ่อแม่เราควรจะทําตนอย่างไร เราอยู่ในสถานะโลกอันนี้ก็วางตัวให้ถูกอีกเหมือนกันแไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เบ่งหน้าเบ่งหลังผวดพู ด, พดไม่รู้จักเกรงใจพ่อแม่เหมือนคับพ่อแม่เนี่ยเป็นขี้ข้ามาใช้ตัวเองไม่ได้คิดว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเราเกิดมาฝาตินตีนเท่าฝาหอยพ่อแม่ดูแลขนาดไหนแต่พอตัวเองได้มีเงินครับซับมีเงินครับสมซับสมบัติมา เ, เพียงกระ บ, บีเดียวก็มาอวดหน้าอวดหลังกับพ่อกับแม่มันถูกไหมการที่จะพูดอย่างนั้นทาอย่างนั้นที่ในฐานะที่เราเป็นลูกสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้รู้จักสถานะของตนเองเหมือนกันพอลูกหลานทุกวันนี้ได้รับการศึกษาแต่ถึงได้รับการศึกษาก็เถอะเป็นศึกษาไปทางโลกเสียมากกว่าศึกษาเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม อความเหมาะสมความถูกต้องการวางตัวสําหรับตัวเองโดยมากไม่ค่อยได้เรียนได้ศึกษากันโดยมากมีแต่เรียนวิชาความรู้หาเงินทำทรัพย์สมบัติอมเตี่ยวเรื่องจริยธรรมเลยรู้สึกว่าบางคนก็ห่างเหินไม่รู้จักการวางตัวนะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับลูกกับหลานกับทุกทุกท่านนี่แหละ สรุปแล้วก็คือให้พวกเรารู้จักสถานะของตนเองเนื่อเมื่อเราเป็นหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมวดหัวหน้าการเป็นอยู่ทุกระดับบริษัทท่าร้านในเมื่อเราเป็นหัวหน้าก่อนที่จะแยกย้ายกันหรือว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องมีการพูดอบรมศีลธรรมจริยธรรมความประพฤต เมื่อกมาทำงานควรจะเก็บหอมรอริปอย่างไรควรจะทำตนอย่างไรอันนี้หัวหน้าก็จะต้องสั่งสอนบอกกล่าวลูกน้องของตนอยากจะให้ลูกน้องดีก็ต้องทำดีให้ลูกน้องดู อ, อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันมีพระลูกจิตลูกหายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่งเรียงกันเนี่ยทั้งสากว่าทูบองค์ที่ไม่มาฉันก็คงจะมีวันนี้ ถ้าหากว่าหลวงพ่ออยากจะให้ลูกน้องดีลงุงหลวงพ่อเองก็ต้องทำดีให้ลูกน้องดูแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกน้องบริวารของตนเองนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่กทานที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อไปถึงณที่ใดให้พวกเราให้โอปณญิโกกมองตนเองให้มองตัวข้าพเจ้าเองอยากจะให้คนอื่นดี ก็ต้องทำดีให้คนอื่นดูการทำดีต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้านับหนึ่งจากตัวของเราเองไม่ใช่อยากจะให้คนอื่นดีแล้วก็ให้คนอื่นทำดีแต่ตนเองทำเร็วทำสิ่งที่มันไม่ดีอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเรามองตนเองแล้วก็ทำดีทาดีในหลักของพุทธศาสนานั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกถ้าผู้ใดก็ตามมีศีลห้าประจํากายวาจาพุทคนนั้นเป็นคนดีในระดับหนึ่งเป็นระดับต้นๆเป็นระดับที่ยอมรับได้ในชุมชนสังคมสังคมโลกคือไม่คิดฆ่ากันเมื่อคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราและเป็นยังไง ถ้าคิดฆ่ากันหาความสงบสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะอมีแต่ระเวิงระวังกันอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนก็ต้องพกพาอาวุธอมีไม่ ม, มีไม่มีเวลาที่จะทาําหาทํามาหาเลี้ยงชีพเพราะอะไรพวกเราคิดฆ่ากันในเมื่อเราคิดฆ่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดฆ่าเราในเราคิดเมตตาเขาเขาก็ต้องคิดเมตตาเราซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือ สินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่าขโมยสิ่งของซึ่งกันและกันเมื่อเราไปขโมยเขาเขาก็มาขโมยเราในเมื่อการขโมยกันสิ่งของก็หาสงบความสงบสุขไม่ได้ต้องระวยงระวังอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนหนึ่งจ้องขโมยคนหนึ่งจ้องดูแลรักษาสมบัติของตนเองจะหาความสงบสุขได้อย่างไร อันนี้ก็คือสินพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วมันจะไม่สงบสุขท่านทุกคน ม, มีการขโมยกันข้อที่สามกาเมสุมิชาจารยาราวิระมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแห็นถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราเสียใจไหมเขาเสียใจไหมเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้ศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทา เวรมณี i, อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกเขาหลอกลวงเขาอไปต้มเขาเอาสีทองไปย้อมตะกัวแล้วลว่าทองขับแล้วว่าขายให้เขาแต่ตัวเองก็รู้ทางรู้ว่านี่แหละคือโกหกไปหลอกเขาต้มเขาสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราที่จะ โกหกเขียนเช็คเดงให้เขาทั้งที่ไม่มีเงินโกหกเขาถ้าเขามาทำให้กับเราเราเสียใจยไหมเสียใจยถ้าเราไปทำให้กับเขาละ่ะเขาคงจะดีใจอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่ละ่ะเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกับกับเราเพราะ น, นั้นสิ่งใดก็ตามถ้าจะทำให้คนอื่นเสียใจายทาต้องดูหัวใจเราซสก่อนถ้าเราไปทำให้กับเขา เขาก็คงเสียใจเหมือนกับเราเพราะนั้นอย่าทำในสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้คนอื่นทำให้คนอื่นพูดให้คนอื่นเสียใจสิ่งเหล่านี้ก็พวกเราให้ระวังสินข้อที่ห้าสุราเมรยาตมชักปมาสินข้อนี่แหละสำคัญที่หลวงพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินปีใหม่เสร็จแล้วงบโดยที่ว่าคนเมา ออรถไปชนไปเฉียวหรือตกถนนมีมากไหมสาเหตุเพราะอะไรเพราะเมาไก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มจูราเข้าไปต้องเมาในเมื่อเมาแล้วก้าทาไมเราไปดื่มดื่มให้ขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วขับรถชนเฉียวเข้าไปแล้วตกข้างถนนแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเมื่อ ตกถนนลงไปแล้วหัวนกพื้นแล้วแล้วใครเป็นคนเลี้ยงอะไะเลี้ยงเราเพ่อแม่ก็มีแต่เท่าแกชะลามีแต่พี่ พ, พี่น้องๆพี่พี่น้องๆใครจะเลี้ยงเราเราต้องคิดให้ไกลก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่มีใครที่จะรักตัวของเราเยี่ยงกว่าตัวของเราเพราะนั้นเราต้องทันุถนอมการเป็นอยู่ถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ว่ากันอันนี้การดาลงชีพด้วยความประมาท สองดื่มของที่มือนเมาขาดสติไม่ว่าคัญชายาฝิ่นเฮโลอินยาบ่งยาบ้ า, บายามา้าคัญชายาฝิ่นอะไรก็ต่างถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติที่เสียหายนะเสียหายทุกอย่างเพราะคนขาดสติไม่รับผิดชอบอะไรทั้งหมดเพราะอะไรเพราขาดสติศินข้อที่หนึ่งก็ละเมิดล่วงละเมิด ทําได้กระจุยกระจายฆ่าใครก็ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นก่อนที่จะฆ่าใครคนดึงสุข라이ย้อมใจซะก่อนอข้อที่สองขโมยใครก็ได้เพราะขาดเจติข้อที่สล่าราบระลวงสามีภรรยายใครก็ได้เพราะขาดเจติข้อที่สี่โกหกใครก็ได้เพราะขาดเจติเพราะฉะนั้นสิลของพระพุทธเจ้าที่พวกเราให้ศึกษาดู สินข้อที่ห้าเหมือนกับหลังคาสลาพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้แนะ่ะคมทั้งเสาสลาด้วยทั้งคานด้วยทั้งพื้นด้วยถ้าว่าสลาหลังนี้ไม่มีเครื่องมุงบงังแดดออกมาก็ร้อนฝนตกมาก็ร้อนเสียหายหมดทั้งพื้นเพราะอะรเพราะว่าไม่มีสังกะสีมุงเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่า สินข้อที่ห้าเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองสินข้อที่สีที่สามที่สอง้ี่หนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าคนมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วจะต้องคิดดูให้ดีว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนควรทำอันไหนควรพูดถ้าหากว่าเราขาดสินแล้วพวกเราจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะ พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมโลูกหลานทุกคนนี่แหละศีลห้าเนะี่ยเป็นศีลคุ้มครองโลกเป็นศีลทําให้โลกทั้งโลกคร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะฉนั้นขอให้ขอฝากไว้กับลูกหลานอันนี้แหะคือพรปีใหม่พรปีใหม่ของหลวงพ่อประสิทธิ์ประสาทให้กับลูกกับหลานในการวางตัวอยากจะให้ลกูกผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าสำนักงานห้างร้านต่างๆอยากจะให้ลูกน้องดีต้องทำดีให้ลูกน้องดู เ, เมื่อเราทำผิดแล้วปิ้งปลาหมองอแล้วรีบกลับนี้ขำขำเจ็บแล้วจำใส่กบาลที่ขานไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจ จะหาใครมาวอน้าไม่สอนตดอันนี้แหละอันนี้ก็คือเราทาคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่ออยากจะเน้นย้ำอีกว่าหลวงตามหาบัวท่านไปพบสนทนากับหลวงปู่คำดีประพาโส ว, วัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยท่านบอก ว, ว่าท่านมหาจมไมก่อนผมไม่เป็นอย่างนี้นะ ผมเนี่ยเป็นคนนิสัยชฉนเฉียวโมโหดุไม่ไม่เหมือนอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ผมใจดีลงมากเพราะเหตุไหไรสาเหตุก็คื อ, อ, อผมอยูอ่ ก, กับพระเนรวันหนึ่งญาติโยมขอถวายผ้าขาวมาผมก็เลยแบ่งตัดตัดผ้าขาวให้สมณเณรเย็บ พอสำมเนินเย็บเย็บผิดเ อ, อพอเย็บผิดเราก็ไปดูพอมันเย็บผ่ามันมันทํามันเย็บไม่ใช่ช่างมันเย็บไม่ได้นะพอเย็บผิดก็ยกขึ้นมาดูอ้าวมันทําไมไม่เย็บผิดมันทําไมไม่ถามคนอื่นมันทํำได้ยังไงเนนเหรอโมโหขึ้นมาฉีกผ้าขาวต่อหน้าเนนเนนก็โกรมหน้าลร้องไห้เพรางั้นเห็นอาจารย์ฉีกผ้า ที่ตัวเองเย็บไม่ถูกเสียใจอย่างมากเออพอสำเนินร้องให้อย่างเสียอกเสียใจอาจารย์ที่เสกผ้าเน่ยเราก็เลยอืเรานเกินไปใช่แล้ว เ, เราไม่น่าจะทําอย่างนี้ใครจะอยากจะผิด่ะแต่มันไม่รู้มันก็ผิดได้เพราะฉะนั้นเราทําเนี่ยมันเกินไปใช่แล้วเอาถ้าเราจะไม่ให้ทําอย่างนี้เราจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป นี่เนี่ยหลวงตามหาบัวท่านวะน่ยหลวงปู่คาดีพูดให้หลวงตาฟังหลวงตามหาบัวฟังท่านเป็นพระมหาเทระด้วยกันท่านบอกว่าจากนั้นมาผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ยนกับตัวใหม่จะไม่ทําให้ดุร้ายสุนเชียวทําให้คนอื่นเสียใจเหมือนกับที่ผ่านผ่านมาเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าคือเขาเสียใจอย่างมากนี่แหละเสิ่งเหล่านี้อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ของลูกหรือว่าเป็นลูกของพ่อของแม่ที่จะทำสิ่งไหนก็ตามจะทำให้คนอื่นเสียอกเสียใจกับเราเราก็ควรจะสำนึกในใจต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกทำอย่างนี้ให้พ่อแม่ของเรานนําตาร่วงเสียอกเสียใจพอเราออกนอกลู่นอกทางเดินไม่ไปตามทำนองคลองทา ถ้าไม่พ่อแม่วิตกกังวลเสีย อ, อกเสียใจกับเราข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกต่อไปนี่ตามไม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตว์ทยญาติโยมลูกหลานทุกๆกคนนะควรจะคิด อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดนยจะเป็นสิริจะเป็นมงคลสําหรับพวกเราลูกหลานทุกคนกลับตนกลับตัวกลับใจผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่เป็นพ่อแม่ ปู่่าตายายเรืองผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะดีอกดีใจที่ลูกหลานของเราหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นคนดีไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละอยากจะฝากให้พวกลูกหลานทุกคนแต่พร้อมกันลูกหลานเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรอยากจะให้พวกลูกหลานทุกคนก่อนหลับนอนควรจะไหว้พระอาระหังสวากาโตสุปฏิปพโนจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วจักรวาลทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดนี่แหละเวลาก่อนหลับก่อนนอนถ้าพวกเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัตวะเป็นที่พึ่งอย่างนั้นก็แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์เวรภัยทั้งหลายก็จะเจือจางหายไปที่จะมี มาผูกพยาบาทอาฆาตกับเราเราก็มีเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายสปปรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตัวของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะนั้นเ พ, เพราะเหตุว่านในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้คำนี้ให้ศึกษานะ ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกออะไรมาเกิดนยหลวงพ่อย้ําเตืนเอนเกือบทุกครั้งเกือบทุกเช้ า, อาบอกว่าร่างกายของเราเยเหมือนกับรถนะลูกหลานพรพวกเราใช้รถใช่ไหมหลวงตักหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบใส่ใส่ว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจนามธรรมาตัวผู้รู้อยู่ในตัวของเราเนี่ย เหมือนกับโซเฟอรนะ์รถนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์รถมากกว่ารถนะท่านเรียกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเรื่องของโ ซ, โซเฟอร์รถมากกว่าเพราะฉนั้นโซเฟอร์รถนะ่ะ พอร่างกายแตกไปแล้วรถคันนี้พังแล้วนะโซเฟอร์จะไปหาเกิดที่อื่นแก่อนที่จะไปหาเกิดที่อื่นนั้นโซเฟอร์มีเงินไหมถ้าโซเฟอร์มีเงินก็ไปเลือกซื้อรถคันอื่นอีกที่ดีกว่าเหนือกว่าไปเลือกเกิดได้นะแต่ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลไม่ได้สังสมคุณงามความดีไม่ได้ไหวพระสวดมนต์ไม่ได้ประกอบคุณงามความดี ถ้าโซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แล้วนะโซเฟอร์ต้องตกต่ำนะไไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ที่รชานได้ทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอให้ากไว้กับลูกหลานทุกคนนะอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทุกๆคนสรุปแล้วก็คือให้คิดดีทำดีพูดดีถ้าพวกเราคิดดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทาก็เป็น สัมมาทิฏฐิมือนการการพูดก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเราใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดีการกระทำออกไปก็ดีการพูดออกไปก็ดีถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดขึ้นมาก็ชั่วการกระทำออกไปก็ต้องชั่วตามและก็การพูดออกไปก็ต้องชั่วเพราะอะไรเพราะมันออกไปจากใจเนี่ผมท่านขอให้ พ, พฝากไว้กับพวกลูกหลานคณะจัท ถ, ถาญาตโยมพอวันนี้เป็น วันอีกสักวันมรืนนี่ก็เป็นวันปีใหม่ละนะปีใหม่2 5 5พัหล้ละลูกหลานผู้ใดบางสำนักก็เขว่าสวดมนต์ข้ามปีข้ามปีก็สวดมนต์ทั้งคืนดีเป็นสิริเป็นมงคลถ้าว่าเราประกอบคุณงามความดีด้วยสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราไม่ทำจนชำระจิตใจของเราหมดจดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้นะ แปลว่าสวดสวดมวนต์ข้ามชาติในชะ่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกในชาติต่อไปนะอันนั้นเลิศประเสริฐนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดกับคณะสัทย า, าติโยมลูกหลานเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรให้พรปีใหม่เนอคณะสัทย า, าติโยมให้พรปีใหม่ไปเรื่อยๆแนละ้วจนข้ามปีนะนะั่นแะ